สั่งสมบุญบา ร, รมีไว้เป็นสเสบียงในภพภูมิต่อไปแล้วเราคงจะได้พบกันอีกครับบทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโฉ